ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมปรสินอินทเสระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังตอนนี้กําลังพูดกับท่านผู้ฟังอยู่ถึงเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าที่ค้งอยู่วันนั้นก็มาถึงเรื่องที่ว่าทรงจําแนกธรรมะตัณห์มาตลอดเวลา 45, สี่สิบห้าพรรษาหลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแจกจังก์อื่นนอกจากพระธรรมหรือธรร ม, มรดสนะก็ดีที่สุดครับจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับอนุษย์ได้เป็นประโยชน์แก่พวกเรามาจนถึงเวลานี้เรียกว่าได้รับมรดกธรรมจากพระพุทธเจา้าพระจากพระสงท์ที่นําสืบต่อกันมา เพราะฉั้นประสงเวลานี้ที่ดําเนินตามถ้าดําเนินตามพระปฏิปทาของพระพุทธเจ้าก็คือว่าแจกพระธรรมแจกพระธรรมไม่แจกดวงตาดีที่สุดแจกดวงตาคือว่าให้คนฉลาดขึ้นมีปัญญาขึ้นแล้วเขาก็หากินได้เองเราไม่ต้องไม่ต้องไปเป็นห่วงเขามากในเรื่องอื่นแต่ว่าให้เป็นห่วงเขาเรื่องที่เขาขาดปัญญา ขาดปัญญาพิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรทนี้ก็ถ้าเผื่อพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทมัวแจกอย่างอื่นกันอยู่ที่มันเป็นของรือฮาชั่วคราวไม่มีผลจริงไม่มีผลแน่นอนแต่ว่าไปหวังผลเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ดำเนินตามพระปฏิปทาของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแจกธรรมารต น, นะวัตถุเขาเป็นสิ่งจาเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าชีวิตมันมีร่างกายซิกหน่งมันเป็นสิกของร่างกายและซิกของจิตใจแต่ว่าก็ให้เป็นเรื่องของชาวบ้านเข้าไปนะครับเพื่อว่าเป็นสังฆารต น, นะ้ารแจกที่ดีที่สุดก็คือแจกพระธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละดีที่สุด อันนี้ก็อีกข้อหนึ่งต่อมาจากข้อนั้นก็คือว่าทรงหักกรรมแห่งสังสารวัฏกําลังพูดถึงพระนามแห่งพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระเขาวาทรงหักกรรมแห่งสังสารวัฏอันนี้ก็ซ้ํากับบทอาหังก็ไม่เป็นไรก็คาบเกี่ยวกันบ้างเืออากาศสิพักคังแต่ว่าได้แก่ทาการหักผักกรรมแห่งสังสารวัฏ ก็คือตระหนักอุปาทานนั้นแหะนะครับตระหนักอุปาทานอาวิชชาตาระหนัอุปาทานอันนี้แหละเป็นเป็นกรรมเป็นดุมเป็นกรงของลอ้อล้อคือสังสารวัตรสังสา ร, รจัฏก็คือสังสา ร, รวัตรนั่นแหละตักมันได้แล้วมันก็หมุนไม่ได้หมุนไม่ได้มันก็หยุดอยู่แค่นั้นเราไม่ไปกแก้วหยุดอ<ม>ีกข้อหนึ่งคือทรงหนักแน่นสมเป็นครู อันนี้คายุคายุทรงหนักแน่นสมเป็นครูคายุนี่แปลว่าผู้หนักแน่นครูผู้หนักแน่น <_ Q> และหนักแน่นด้วยคุณธรรมเป็นผู้ผมีคุณธรรมหนักแน่นคุณธรรมของครู <_ Q> ผมได้ย้ำอยู่เสมอว่าคนเราจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นพร้อมด้วยคุณสมบัติจึงจะดีเป็นพร้อมด้วยคุณสมบัติของความเป็นเช่นนั้น ก็เป็นครูมีคุณสมบัติของครูถ้าไม่มีคุณสมบัติของครูเป็นครูก็เป็นในเพียงรูปแบบไม่ใช่ครูแท้ต้องเป็นคนหนักแน่นเป็นคนหน้าเคารพครูแปลว่าหน้าเคารพหน้าเคารพก็ได้แปลว่าหนักแน่นก็ได้ก็ถ้าได้สองอย่างนี้ก็แปลว่าพ อ, อสมควรแล้ว ข้ออืน่นก็ก็มีตามมาเป็นคนหนักแน่นเพราะว่าหนักในธรรมธรรมะใครลุคนหนักในธรรมไม่หนักในอามิตไม่เป็นอามิตตะใครลุเพรว่าเป็นคนหนักในธรรมยกธรรมขึ้นเป็นธงธัมโมหิจิสุนัง่งแทชฌูธรรมนั่นแหละเป็นธงของท่านผู้สเสวยหาคุณ ถ้าเผื่จ ะ, สะแสวงหาคุณก็ต้องเอาธรรมมาเป็นธงธรรมโมหิจิสินังไตโชทำนั่นแหละเป็นธงของท่านผู้สแสวงหาคุณถ้าจ ะ, สะแสวงหาคุณก็ต้องเอาธรรมมาเป็นธงธรรมคคุเป็นผู้หนักในธรรมไม่หนักในอามิทไม่ใช่อามิสสรุผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองะอะไรก็เหมือนกัน ว่ถ้าเป็นธรรมะคารุเป็นผู้หนักในธรรมหรือความถูกต้องไม่หนักในอามิตรคอร์รัปชันก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปปราบใครไม่ต้องปราบใครปอป อ, ป อ, ปอไม่ต้องมีเพราะว่าทุกคนปราบตัวออญญเองแต่ศาสนาแปลว่าปกครองก็ได้แปลว่าเราอยากแปลว่าคําสั่งสอนแล้วแปลว่าปกครองก็ได้รัฐภาษ า, าศาสตร์ปกครองรัฐ รัฐาพิปาและโนป่ายด้วยรัฐประศาสนศาสตร์ปกครองรัฐศาสนาคำสั่งสอนแล้วก็แปลว่าปกครองให้ถึงปกครองตัวเองแต่ถ้าคนหนักแน่นในธรรมแล้วปกครองตัวเองได้นับถือศาสนาด้วยหัวใจไม่ได้นับถือศาสนาเป็นเด็กเพียงพิธีรีตองหรือว่าเพียงเป็นเครื่องกระลากระโลมใจ แต่ถ้าลองนับถือศาสนาเพี่นเครื่องะละลาบะโลมใจอย่างนั้นนว่าไม่เข้าถึงศาสน า, าเข้าไม่ถึงแก่นของศาสนาถ้านับถือศาสนาต้องนับถือด้วยหัวใจบายฮาร์ายฮาร์ดด้วยหัวใจเพราะว่ามันหนักแน่นในธรรมไปเองแล้วก็ผู้ปกครองหนักแน่นในธรรมครูหนักแน่นในธรรม วิกเวียนก็จะกลายเป็นผู้หนักแน่นในธรรมตามมาด้วยคราวนี้ก็สบายสบายกันไปหมด่ะคยุอันนี้พระนามพระพุทธเจ้าเราศึกษาพระนามของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ถ่ายแบบไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆเพื่อจะได้ถ่ายแบบการนับถือที่แท้ จ, จริงคือการถ่ายแบบประการต่อมาทรงเป็นผู้มีกุศลมีโชคมีกุศล มีบารมีอันนี้พักขยอ่าะะใช้คำว่าพักขยาวาเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีกุศลที่ได้ทำไว้แล้วมากถ้าใช้คำสามัญก็เลยว่าปุเพกตาปุญญาตาได้ทำความดีไว้มากแล้วก็มากลายเป็นผู้มีโชคคนที่ทำความดีไว้มากขาจะอานวยผลให้เป็นคนมีโชค คนที่มีโชคเป็นคนมีบุญจะก้าวไปทางไหนมันก็ประสบความสําเร็จก้าวไปทางไหนมันเหมือนบางคนม่นเป็นคนมีบุญมันใล้ใกลก้าวเข้าไปในประตูประตูคนประตูอะไรที่เขาใช้กันอยู่เวลานี้ตามร้านประตูอัตโนมัติพอเหยียบเข้าไปคนเหยียบเข้าไปใกล้ๆแล้วมันเปิดเองไม่ต้องผลักไม่ต้องอะไรประตูมันเปิดมันปิดเอง พอคนจะเข้าไปอยู่ในลัศมีที่พอจะพอใกล้ๆประตูประตูมันจะเปิดออกแต่คนที่มีบุญมีโชคมีกุศลมีโชคอันหน้าไปทางไหนก้าวไปทางไหนมันก็จะมีทางเปิดให้มีทางเปิดให้ก็มองเห็นช่องทางไปได้เองอันนี้เรียกว่าเป็นพักขยะยกว่าพักขยะยกว่าเป็นผู้มีพักมีโชคมีกุศลมีบุญ แล้วก็ประการต่อมาก็ทรงเป็นสุภาวิตัตโตสุภาวิจัตโตสุภาวิต ะ, ตะแปล ว, ว่าอบรมดีแล้วตัตโตอัตโตอัตตาอัตโ ต, ต, ตมีตนที่อบรมดีแล้วสุภาวิจัตโตมีตนที่อบรมดีแล้วพระองค์ทรงอบรมพระองค์ดีแล้วด้วยพระธรรมที่ควรรู้ควรเข้าใจเป็นอันมากพระอูหิยาเย ทุกวิตัตตมีพระองค์ที่ได้อบรมดีแล้วด้วยธรรมที่ควรรู้ด้วยสิ่งที่ควรเข้าใจเป็นอันมากพันพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้านิสงส์อบรมพระองค์ดีจะว่าในด้านไหนเป็นในด้านโลกหรือในด้านธรรมในด้านมารยาทในด้านคุณสมบัติของผู้ ด, ดีในด้าน อะไรต่างๆไม่ว่าจะพูดในด้านไหนพระองค์เป็นผู้ที่ได้อบรมพระองค์ดีแล้วถ้าเวลาเราต้องการจะหาคนที่อยากไปทำงานหรือหาคนที่จะบูชาหรือเคารพจะไปเคารพจะไปบูชาหรือหาคนไปทำงานเราก็ต้องการคนที่ได้อบรมตนดีแล้วทั้งนั้นน่ะ บางทีสมัยใหม่หก็เล่ประสบการณ์ถ้ามีประสบการณ์มาเท่าไหร่มีประสบการณ์เรื่องอะไรมาเท่าไหร่แล้วก็ต้องการคนมีประสบการณ์แล้วก็รับเข้าทํางานคนที่มีประสบการณ์มาห้าสามปีห้าปีสิบปีอะไรเนี่ยแบบนี้ก็คือสุภาวิจัดโตเป็นผู้มีต้นที่ได้รับการอบรมมาดีแล้วโดยเฉพาะในทางที่ต้องการจะไป วันนี้เขาไปพบนักศึกษาจำนวนหนึ่งเขากำลังจะจบกันอยู่แล้วก็บอกว่าได้ค้นหาตัวเองพบแล้วหรือยังถามว่าได้ค้นหาตัวเองพบแล้วหรือยังการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้านี้เราจะทำอะไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะทำอาชีพอะไรมันต้องค้นหาตัวเองให้พบก่อนต้องค้นหาตัวเองให้พบก่อนถ้าเผื่อค้นหาตัวเองไม่พบหรือยังไม่พบตัวเอง ยังไม่รู้แจ้งตัวเองยังไม่เซนเรเนอไรเซชั่นก็ทานดาเนินก่อนเคว้งคว้างทังสเปซสะปาภาไรต้องหาตัวเองให้พบว่าเรามีคุณสมบัติอะไรทำอะไรได้ดีทำอะไรไม่ได้ดีถ้าพบว่าทำอะไรได้ดีก็ให้ปากปั่นไปทางนั้นถึงจะลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ว่ามันจะสบายในบันปลายคือว่า จะลําบากบ้างในเปลื่นตนอาจจะได้เงินน้อยไปหน่อยอาจจะจะลําบากไปหน่อยอาจจะอะไรน้อยไปหน่อยแต่ว่าขอให้ได้คนพบตัวเองว่า น, นี่แหละคือทางของเรานี่แหละคือทางของเราแล้วเราก็สุภาวิตรโตคืออบรมตนให้ดีใ น, ในทางนั้นอบรมตนให้ดีในทางนั้นอบรมไปเรื่อยๆไม่มีการหยุด ไม่มีการหยุดในเรื่องอการอบรมตนต้องทําทําสม่ําเสมอทําไปเรื่อยๆทําไปสม่ําเสมอสโลบัตชัวชาช้าๆจะก็ให้แน่นอนมั่นคงให้ผู้ก้าวช้าๆยอมเก้าวได้เกย๋ยผู้ก้าวอย่างละมุนละมอมยอมก้าวได้เก๋ยให้สุภาสิตจินผมก็ชอบออกมาพูดเรื่อยก็ไม่เตือนอลยตอกย้ำกันไว้เรื่อยๆ นี่ก็เป็นอีกข้อนอึ่นะครับข้ อ, นอหนึ่งเรียกว่ า, าเป็นผู้มีตนซึ่งได้อบรมดีแล้วทีนี้ก็อีกประการหนึ่งเรียกว่าส่งถึงที่สุดแห่งภพพระพุทธเจ้าได้ส่งถึงที่สุดแห่งพบหรือว่าคายการไปในพบทั้งหลายได้เลยภาษาบาลีท่านใช้คาว่าวันตะคามโนภเวสุอันนี้หมายความว่าไม่ไป แล้วไม่ไปในภพต่างๆแล้วหยุดการไปในภพแล้วยังมีภพก็มีชาติภาวะปัจจัยย า, าติมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติด้วยความเกิดเป็นั้ถ้ามีความเกิดก็มีแต่มีเจ็บมีตายมีความโศกเศร้าเสียใจที่ไรลำพันธ์อะไรตามมาก็คือรวมความนี้ว่าทุกข์มันตามมาทุกข์มันตามมากับความเกิดกับชาติเอความเกิดก็เป็นเป็นผลพวง หรือพ่วงมากับเพิ่มมากับความมีภพแล้วเมื่อมีความเกิดแล้วความแก่ความเจ็บความตายอะไรมันก็พ่วงมากับความเกิดนี่นะครับทีนี้ก็ถ้าท่านไปถึงที่สุดแห่งภพหรือว่าคายความไปการไปในภพได้แล้วก็เป็นนั้นว่าสิ้นภพสิ้นชาติกันแค่นั้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นความทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆ แก่ไปบ่อยก็เจ็บบ่อยตายไปบ่อยก็เป็นทุกข์บ่อยถ้าลองถ้าลองสืบสาวดู ว, ว่าให้ความทุกข์ความกุ้มใจความกังวลความเดือดร้อนอะไรต่างๆที่คนเขามีเขาเป็นกันอยู่เวลาเนี้ยมันงใช่สําคัญมันก็มาจากที่เราเกิดมานั่นแหละถ้าเบื่อไม่เกิดให้ความทุกข์เหล่านั้นก็ไม่มี นี่ก็อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือว่าทรงหักระคะโทสะโมหะและบาปบาปทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วราคะโทสะโมหะและบาปทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นทูตไม่มีอาสวะคือว่าไม่มีไม่มีกิเลสอาสวะนั้นก็เป็นชื่อหนึ่งของกิเลสเพรไม่มีกิเลสอันนี้ก็พูดถึงประโยชน์ในการจเจริยพระพุทธคุณ ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือต้องการให้รู้จักพระพุทธคุณแล้วก็เราจะเลิญพระพุทธคุณประโยช์การเจริญพระพุทธคุณก็คือการถ่ายแบบการถ่ายแบบเข้าสู่ตนพยายามเดินตามรอยของท่านเเมื่อเดินตามรอยของท่านก็ก็ไปถึงที่ที่ท่านถึงเหมือนกับเราเดินตามรอยใครสักคนหนึ่งในที่สุดเขาก็ไปหยุดอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ท่านที่เดินไปก่อนท่านก็ไปสุดทางแล้วท่านก็หยุดอยู่กับที่เพราะว่ามันสุดทางของท่านแล้วก็หยุดอยู่กับที่ใครในผู้ที่พูดที่ตามรอยผู้ที่เดินตามรอยไปก็ก็ต้องไปถึงที่ที่ที่ท่านถึงเดินตามรอยพระอริยะก็ต้องไปถึงที่พระอริยะท่านไปถึงถ้าเดินตามรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ก็ไปถึง ที่ที่ท่านถึงคือความสิ้นอาสวะความสิ้นกิเลสมันจะเร็วบ้างช้าบ้างก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันสําหรับองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยคกับเพียงแต่อ่านประวัติเพียงแด่อ่านประวัติของท่านอย่างรอบคอบอย่างไข่ครวรเท่านั้นนะครับก็สามารถจะแก้ปัญหาทุกได้ถ้าพบช่องทางที่จะแก้ปัญหาชีวิตอันนี้ก็คือพระพุทธคุณได้มาคุ้มครอง เพระพระตุทธคุณได้มาคุ้มครองก็โดยวิธีที่ว่าแม้เราเพียงแต่ยังไม่ปฏิบัติที่ท่านสอนเป็นแต่เพียงอ่านประวัติของท่านอย่างรอบคอบใกล้ครววแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาทุก์ได้เราพบช่องทางที่จะแก้ปัญหาว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหานี้อย่างไรแล้วเราก็ลองนําวิธีนั้นมาใช้ก็ได้ผลได้ผลทุกครั้ง ที่ใช้วิธีการของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่เคาครพกับ เ, เวลาหมดกับอันนี้ อ, อผมคิดว่าสําหรับเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธคุณก็คงจบแค่นี้ะไว้พรุ่งนี้ผมจะพูดเรื่องพระธรรมาคุณสําหรับวันนี้ข อ, อยุติเพียงเท่านี้ครับนําสุขสวัสดีผูงมีแด่ท่านผู้ประทับรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ